ผู้สูงวัยจากโคราชนะมาทําบุญถวายสังกาัานแล้วก็ฟังธรรมอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดโคราชนครราชสีมาซึ่งก็คงจะจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงวัยในเขตเทศบาลของตนนี้มาหลายงานแล้วาการมาฟังธรรมที่นีก่ก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งนะเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่นานุมโมทนา ว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยผู้เฒ่าคนแก่คนชาราดับวันจะมีจำนวนมากขึ้นเป็นคนที่เรียกว่ากลุ่มใหญ่ใหญ่ขึ้ น, นเรื่อยๆนะใหญ่กว่ามากกว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวนะในเวลานี้เองนะแล้วก็ที่ผ่านมาอบตก็ดีเทศบาลก็ดีหลายแห่ง ก็เริ่มให้ความสนใจนะกับผู้สูงวัยนะในเขตปกครองของตัวเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยนับวันจะมีความทุกข์มากขึ้นไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวนะทุกข์ใจด้วยที่จริงการที่คนเราเนี่ยมีอายุยืนจนได้เป็นคนแก่ได้เป็น คุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยายอันนี้มันถือว่าเป็นโชคงนะเพราะว่ามีครจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวนะจนให้ใครเรียกว่าคุณป้าคุณลุงหรือว่าคุณตาคุณยายแล้วจริงมันก็เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเนี่ยเรียกว่าร้อยทังรอยปรารถนานะอย่างมีอายุยืน การที่ได้มีอายุยืนสมใจนี่มันก็ถือว่าเป็นโชคแต่ขึ้นชื่อว่าโชคแล้วเนี่ยนะมันก็มักจะพ่วงมากับสิ่งที่เราไม่ค่อยปรารถนาเท่าไหร่อะไรที่พ่วงมากับกายมีอายุยืนนะสิ่งที่พ่วงมาก็คือความแก่ชราสิ่งที่พ่วงมาคือร่างกายสังขารที่ เสื่อมลงไปเวลาคนเนี่ยยังมีอายุยืนเนี่ยเขาก็มองจากจุดที่เป็นอยู่นะคือยังหนุ่มยังสาวแล้วคิดว่า้ความหนุ่มความสาวเนี่ยมันจะยืนยาวไปจน อ, อีกสี่สิ50้าสิบปีข้างหน้าแต่ลืมไปว่าถ้าคนเรามีชีวิตยืนยาวเนี่ยไอ้ความหนุ่มความสาวมันไม่ได้ตามไปด้วยนะมันจะค่อย หายไปเรื่อยๆและมีความแก่ความชรามาแทนที่ก็ามายถึงร่างกายที่เสื่อมโทรมลงไปกัลระวังชาที่ลดน้อยถอยลงไปนะบางทีก็ามาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บมันมาด้วยกันนะแต่ว่ามันมาด้วยกันกับความมีอายุยืนเรียกว่าเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะอยากได้ อายุที่ยืนยาวนะแต่ว่าไม่ปรารถนาร่างกายที่แก่ชาราสังขารที่เสื่อมโทพมเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้นะมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะได้ความมีอายุยืนก็ต้องได้ความแก่ชาราตามไ้ด้วยคนไม่ค่อยนึกนะคิดแต่ว่าคิดแต่คิดว่าเออฉันมีอา ย, อยุแล้วฉันก็ยังมีกาลังวังชาเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ฉันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้หรือวัยกลางคนตอนนี้จง มันไม่ใช่นะมันมาพ่อความแก่ชร า, าเป็นแพ็ k เกจเดียวกันแล้วพอร่างกายนะเริ่มเสื่อมเริ่มโซมสุดหลายคนเนี่ยไม่ได้แค่ทุกกายเดียวทุกใจเดมันทำใจยอมรับได้ยากนะมันไม่ใช่แค่ผมหงอกไม่ใช่แค่หนังเหี่ยวหรือผิวย่น แต่ว่ามันยังตา ม, มาด้วยตาที่ฝ้าเริ่มฝ้าฟางหูที่เริ่มตึงกำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงบางทีแข้งขาก็ไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนหลายคนเป็นทุกข์มากไม่ได้ทุกข์กับร่างกายที่มันแปรเปลี่ยนไปเท่านั้นนะแต่ว่าทุกข์ใจด้วย แต่ถ้าเราตระหนักว่าเออพอเรามีอายุมากแล้วเนี่ยอะไรล้วก็ไม่เหมือนเดิมถ้าหากว่าทาใจแบบนี้รลึกได้แบบนี้เนี่ยมันก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะแต่ก่อนเดินเหินไปไหนได้คล่องแต่ตอนนี้เดินก็ลำบากนั่งก็ลำบากลุกก็ลำบาก กินอะไรเคี้ยวอะไรก็ต้องระมัดระวังรวมทั้งจะกินอะไรตามความอยากก็ไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวเบาหวานเล่นงานเดี๋ยวโรคหัวใจนะรังควานเนาหลายคนเนี่ยทนไม่ได้แม้กระทั่งรูปร่างที่เปลี่ยนไป แต่ก่อนนี่คล้ายๆก็ชมว่าหลอ่อคล้ายๆก็ชมว่าสวยผิวพรรณต่งตึงแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับตรงกันข้ามเลยในการที่คนเราเนี่ยจะอยู่กับความแก่ชราดได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะมันต้องเริ่มต้นจากการยอมรับนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะ จะยอมรับได้เนี่ยมันก็ต้องวางอดีตวางอดีตหรือภาพของตัวเองในอดีตลงบางคนยังติดอยู่กับภาพของตัวเองในอดีตนะความหลอ่อความสมาร์ทความสวยหรือว่าความกระชับกระเฉงความเข้าคล่องว่องไวถ้ายังติดอยู่กับอดีตแบบนี้เนี่ยมัน ยอมรับสภาพปัจจุบันได้ยากมากแต่ถ้าว่าปล่อยวางอดีตหรือภาพที่น่าชื่นชมในอดีตนี่เรียกว่าปล่อยวางวันวา น, นอันหวานชื่ น, นหรือว่าวันเวลารุ่งโรยมันก็มีความสุขได้นะราบางคนนี่เป็นนักกีฬาแข็งแรงกำยำนะ วิ่งได้เร็วปาดเปรี่ยวบางทีเป็นนักกีฬาที่มีชื่อได้เหรียญทองเป็นนักชคที่ได้รางวัลเป็นแชมป์แต่ตอนนี้ร่างกายเนะี่ยเขียวนระ่างกายเสื่อมโทรมดังนั้นะไม่เท่าไหร่นะแต่การที่ไม่มีคนรู้จักนะไม่เหมือนสกอร์นี้ไปไหนคนก็ขอไลเซน์ไปไหนคนก็ ขอถ่ายรูปเพราะเป็นคนดังจะเป็นดาราจะเป็นนักร้องจะเป็นนักกีฬาก็ตาม น, นั่นคือวันอนุรุ่งโรจน์แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วหลายคนเนี่ยยอมรับความแก่ไม่ได้เพราะมันติดอยู่กับภาพในอดีตแบบนี้แล้วแต่ถ้าว่าวางวางอาดีตลงได้นะก็สามารถที่จะยอมรับความแก่ชาราได้ ดีบางคนนะพอไปผ่าตัดไทรอยมาเสียงก็พูดไม่ค่อยชัดนะแกก็ทุกข์มากเลยนะเสียงมันเปลี่ยนไปพูดแล้วไม่ค่อยได้ยินพูดกับใครคนก็ถามไม่้อะไรนะอะไรนะรู้สึกแย่มากเลย อันนี้เพราะว่าไปยังติดยังติดอยู่กับภาพสมัยที่ตัวเองยังพูดได้คล่องเสียงใสถ้าหากว่าวางนะหรือว่าลืมภาพในอดีตยอมรับการยอมรับสภาพที่เป็นอยู่มันก็ยอมรับได้ง่ายพราะยอมรับได้ง่ายแล้วเนี่ยในความทุกข์ใจมันก็หายไปในการอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นสิ่งสําคัญนะสําหรับคนสูงวัยที่จริงมันสําคัญกับคนทุกวัยเลย แต่ว่าคนสูงวัยนี่มันจะสำคัญยิ่งกว่าเพราะว่าความรุ่งโรจน์เนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วช่วงเวลาหวานชื่นมันก็เป็นอดีตไปแล้วเพราะช่วยมันอยู่ในช่วงขาลงและการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้นะในเรื่องของสังขารเท่านั้นนะแต่ต้องรู้จักมองด้วยรู้จักมองคือ อย่าไปสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดีอวัยวะที่มันเสื่อมโทรมนะเพราะามันเป็นยังเป็นแค่ส่วนน้อยบางคนอาจจะเริ่มปวดน่นปวดนี่ที่กระเพาะบ้างนะที่ลำไส้บ้างก็ไปหมงมุ่นจมเป็นจมอยู่กับมันจนเป็นทุกข์มองรือมองไปว่า เอายากอย่างอื่นที่เหลือเนี่ยกาสุกับเปอร์เซ็นต์มันยังดีอยู่ในการที่คนเราจะมีอวัยวะสมบูรณ์พร้อมร0อเเนี่ยโดยเพราะในวัยชลานี่มันยากนะเป็นไปไม่ได้เลยมันก็ต้องมีบางส่วนที่บกพร่องข้องขัดหรืออาจจะเจ็บป่วยแต่ถ้าไปจดจอยกับตรงนั้นเนี่ยมันยิ่งแยนะ่แต่ถ้าไปมองว่าเออเรามีอะไรที่ ด, ดีต้องหลายอย่าง ตาก็ยังดีหูก็ยังดีนะเดินเหิไปไหนก็ยังได้กินอะไรก็ยังอร่อยเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาก็เป็นโรคธาลัสซีเมียอย่างแรงธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือด น, นะเป็นโรคทางพันธุ ก, กรรมหมอบอกอยู่ได้ไม่เกิน20ินะเพราะว่าร่างกายมันเสื่อมโทรมมากอ่อนแอตาโปนคลาแกรนนะกระดูกเปราะล้มทีไรก็ ไม่ขาหักก็ขาแข้งหักไม่ขาหักก็แขนหักใส่เฝื่อมาแล้วสิบกว่าครั้งเนี่แต่ก็เป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งนะ ท, งทั้งที่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ต้องรับเลือดไปประจำเขาบอกว่าเนี่ยถึงแม้เลือดฉันจะแย่นะฉันฉันก็ยังมีตามองเห็นสิ่งสวยงามมีจมูกดมกลิ่นหอมได้มีหูได้ฟังเสียงเพลงที่ไพเราะกินอะไรก็ยังอร่อยเดินเไปไหนมาไหนก็ได้ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเธอฉลาดในการมองนะไอ้ที่แย่เนี่ยก็ไม่สนใจแต่หันมาสนใจชื่นชมกับสิ่งดีๆที่ยังมีอยู่อันนี้ก็เรียกว่ารู้จักอยู่กับปัจจุบันนะเรียกอย่างนึงก็คือว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทำปัจจุบันดีสุดว่ารู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่ทั้งกับตัวแล้วก็รอบตัว ั้นถ้ารู้ักอมอแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความสุขได้ง่ายนะแม้ว่าจะเจ็บจะป่วยนะแต่ว่าก็ยังไม่ปล่อยใจให้จมอยู่กับความทุกข์แต่ก็มีไม่น้อยนะที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากนะกายไม่ทุกขนะ์แต่ทุกใจเป็นกันเยอะนะคนแก่คนชราเนี่ยอาการที่เกิดคือความเหงาความเหง า, า, หงานะ ความวาราู้สึกว่างเปล่าบางทีรู้สึกว่างเปล่าในชีวิตซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นไม่ได้มีเหตุมีสาเหตุเดียวนะแต่มันมาจากหลายสาเหตุคนสมัยก่อนเนี่ยคนชราเนี่ก็ไม่ค่อยเงานะเพราะเขาแวดล้อมด้วยลูกหลานเป็นครอบครัวใหญนะ่ลูกก็มีหลานให้เลี้ยงนะตายายก็ เลี้ยงหลานมันก็ทําให้เพลินและทําให้รู้สึกชีวิตเนี่ยมันมีความชุ่มชื่นใจเพราะว่ามันได้เห็นเด็กกําลังเติบโตมีอนาคตถ้าไม่มีหลานเลี้ยงนะมันก็จะนึกถึงแต่อนาคตที่ห่อเหี่ยวคือความตายแต่พอมีหลานเอออนาคตของหลานก็กลายเป็นอนาคตของตัวหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยมีความชุ่มชื่น แล้วก็มีลูกนะมาดูแลใจใสแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะแต่เดี๋ยวนี้คนแก่เนี่ยเด่อในเมืองเนี่ยมันไม่มีภาพแบบนี้ละลูกก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับพ่อแม่ั้งที่อยู่บ้านเดียวกันหรือบางที่อยู่คนละบ้านแถมไม่มีหลานให้ให้เลี้ยงสาหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าไม่มีหลานให้เลี้ยงนี่มันทุกข์นะ ที่ประเทศอินเดียนี่พ่อแม่ผู้หนึ่งเนี่ยฟ้องลูกเลยนะพ่อหาว่าไม่ยอมมีหลานให้ตัวเองได้เลี้ยงอุตส่าห์ส่งเสียเลี้ยงดูอุตส่าห์หางานให้ทำลูกแต่งงานก็จัดงานแต่งงานอย่างสมเกียรติแต่รอมาหลายปีก็ยังไม่ยอมมีลูกให้พ่อแม่ได้เฉยชม รู้สึกเป็นทุกข์มากเลยก็เลยฟ้องนะเพื่อจะบีบคั้นหรือบีบบังคับให้ลูกนี่ผลิตหลานออกมาให้ตัวเองได้เลี้ยงคนที่เป็นแม่จริงๆก็อายุแค่หกต้นต้นๆนะบอกมันทรมานนะไม่มีหลานมันความทรมานเนี่ยมันจะบรรเทามากเลยนะถ้ามีหลานให้เลี้ยงเออที่มันสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้สูงวัยในเวลานี้นะทั้งที่ เธอก็ยังอายุไม่มากนะแค่60ไม่ใช่ 70-80 แแต่ถ้าคนที่7 0 8ดนี้ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอเพราะว่าไม่มีอะไรทํทาทั้งที่มีกินมีใช้ไอ ต, ตอนที่ทำงานหาเงินก็นึกถึงวันที่จะได้กเกษียณจะได้อยู่บ้านดูหนังที่ชอบไปชอปเมื่อไหรก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนได้สะดวก แต่พอเกษยียณจริงๆนะมันเหงาลูกก็ไม่อยู่บ้านไม่มีหลานให้ตัวเองเลี้ยงดูโทรทัศน์ทั้งวันดู n น t f l i x ทั้งคืนมันก็เบื่อไปชอบทุกวันสุดท้ายก็เบื่อไปต่างประเทศก็สนุกชั่วคราวกลับมาก็เบื่อเหงาเป็นกันมากบางคนนี่ถึงกับบ่นให้ลูกฟังว่าเนี่ย อยากตายอยากตายพอชีวิตมันรู้สึกว่าว่างเปล่าไม่รอยู่ไปทำไมแต่ก่อนก็มีสังคมมีเพื่อนบ้านแต่พอมาอยู่ทาวน์เฮาส์ไปอยู่คอนโดนี่มันก็แทบตัดขาดจากเพื่อนบ้านยิ่งมาเห็นเพื่อนบ้านตายยิ่งมาเห็นเพื่อนรุ่มรุ่นตายไปทีละคนสองคนสองคนยิ่งห่อเหี่ยว แลยิ่งรู้สึกว่าไม่มีอะไรทาเนี่ยชีวิตมันก็เค้งรู้สึกว่างเปล่าในยามเนี่ยนะการทำงานเนี่ยแล้วกหางานทำเนี่ยที่มีความหมายมีคุณค่านี่มันช่วยชุบชูใจได้มากเลยบางคนบางคนนี่ไปเป็นจิตอาสานะทั้งที่ก็ไปเป็นอาสาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะมันต้องตื่นแต่เช้า บางทีก็ต้องเจอผู้เจอคนหรือว่าไปไปจิตอาสาทำนั่นทำนี่อาจจะเหนื่อยมันเหนื่อยกายแต่ว่าสุขใจนะมีผู้มีสวาคนหนึ่งเนี่ยกเกษียณมาหลายปีต่ลังไปไปจิตอาสาในโรงงานสถานีแยกขยะเพื่อทำรีไซเคลิลสถานีหรือโรงงานก็ไม่ได้ติดแอร์นะแล้วก็ต้องนั่งยองๆฉีกกระดาษหรือว่า ดึงเอาจุกพลาสติกออกมาเพื่อไปรีไซเคิลหรือไม่ก็แยกลวดทองแดงออกมาจากเครื่องยนต์จากคนที่เคยเป็นผู้จัดการเป็นหมอเป็นวิศวกรต้องมาทำงานแบบนี้ดูเหมือนลดคุณค่านะแต่ที่จริงนี่มันก็ทำให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นมานะอย่างคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมมาคือขยะคืนชีพขยะคืนชีพ ต่ก่อนเนี่ยตอนที่ยังก่อนที่มาทําเนี่ยมันเป็นขยะรู้สึกมีคุณค่าเลยแต่พอได้มาทําสิ่งที่มีประโยชน์เป็นจิตอาสาโอ้มันรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาจึงเรียกว่าตัวมันขยะคืนชีพบางคนก็เป็นจิตอาสานะอำนวยความสะดวกที่โรงพยาบาลนะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยญาติที่มาโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยนะว่าเหนื่อยนะ บางทีก็มีคนว่านะแต่ว่าหลายคนบอกทาแล้วมีความสุขมันไม่เบื่อมันไม่เหงาแต่ละวันตื่นขึ้นมารู้ว่าเนี่ยชีวิตนี้ทั้งวันเนี่ยจะทำอะไรเดีย๋ยวนี้มีซอหลายคนนะตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับวันทั้งวันมันว่างเปล่าเลยตื่นขึ้นมาแบบหอเหี่ยวเพรารู้สึกว่าข้างในไม่มีคุณค่า แต่พอเขาเริ่มตั้งเป้าหมายนะกับชีวิตว่าเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันฉันจะทำอะไรไอ้ที่ทำนี่ไม่ใช่เที่ยวนะก็คือทำสิ่งที่มีประโยชน์บางทีก็ไปช่วยงานวัดนะไปกราบพระไปทำบุญพอทุกวันเนี่ยรู้ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาและะ้เนี่ยการที่ต้องหาอะไรทำเนี่ยที่มีประโยชน์มีคุณค่าเนี่ย มันช่วยบำรุงใจได้มากเลยซึ่งคนสมัยก่อนหรือคนในชนบทแต่ก่อนไม่มีปัญหานี้เพราะว่ามีอะไรทําอยู่เรื่อยๆสารกระบุงตะ ก, ก้าทอผ้าตกปลาบางทีไม่มีอะไรทอาทาอะไรมากๆไม่ได้ก็ทอผ้าสารตะ ก, ก้าช่วนี้มันไม่มีความสงสัยว่าอยู่ไปทำไมไม่มีความเหงา ไม่รู้สึกว่าไร้คุณค่าแต่ทีนี้คนแก่สมัยนี้มีเยอะนะั้งที่มีเงินเยอะนะมีความพรั่งพร้อมทางวัตถุสิ่งเสพแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเลยนะแต่จิตใจมันอ้างวางและที่สำคัญนะนอกจากการรู้จักหาความสุขจากการทำงานแล้วเนี่ย ความสุขอ ย, อย่างนี้ที่สําคัญคือความสุขจากสติความสุขจากการเจริญสมาธิภาวนาเพราะมันช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่กับตัวเองได้คนเราถึงจุดหนึ่งนะมันก็ทํางานอะไรไม่ค่อยได้แล้วละ่ะพอแก่มากๆนี่ก็ทํางานไม่ได้หลายคนนีทนไม่ได้นะถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ว่างๆก็ไม่ไหว จะดูหนังดูโทรทัศน์ตาก็ฝ่าฟางแถมบางทีนอนติดเตียงอีกทนไม่ได้นะทุรนทุรายที่ต้องอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนแก่คนชรานะทุกพ่ออยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะตก่อนนี่มันมีอะไรให้ทำมันมีสังคมให้เข้าไปเกี่ยวข้องเพลิดเพลินซึ่งก็ดีนะ แต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดเพราะถึงจุดหนึ่งคนเรมก็ต้องเรียนรู้ที่จอยู่กับตัวเองให้ได้แต่ถ้าและถ้าว่าเราไม่รู้จักเจริญสติทำสมาธินะโหมันทรมารมากเลยนะการอยู่กับตัวเองเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ทั้งที่ปากบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองจะอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับตัวเองเมื่อไหร่มันก็ทุรนทุราย แต่แท่งหนุ่มยังสาวก็ยังดีนะมีโทรทัศท์ให้ดูมีโทรศัพท์ให้เล่นมีเพื่อนให้คุยบ้างแต่พอแก่ชราเพื่อนร่วมรุ่นก็ตายไปเลุกคนสองคนบางทีคู่ชีวิตก็ตายอยู่คนเดียวให้ลูกก็ไม่ค่อยมาดูแลแถมไม่มีหลานให้เลี้ยงจะทําแล้วก็ลำบากเพราะว่าสังคารมันงอมเต็มทีให้คน ในภาวะแบบนี้เนี่ยการอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยและจะอยู่กับตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีนะต้องรู้จักการจลสติทาสมาธิเพราะไม่งั้นความคิดเนี่ยมันจะเล่นงานไอความคิดเนี่ยนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิโอ้มันจะเล่นงานล่นหนักมากโดยเฉพาะในวัยชารานะมันจะคิดลบคิดร้ายมันจะ หวนไปนึกถึงคนที่เราเกลียดหวนไปนถึงความเจ็บปวดในอดีตมาจนนึกถึงแต่เรื่องร้ายๆในอดีตนะเลยพ่อคนใกล้นะคิดอานึกถึงผัวที่ทรยศหักหลังไปมีเมยน้อยหรือคิดถึงลูกที่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปนึกถึงเพื่อนโรงงานที่ทุจริคตคดโกงพอไปนึกถึงอนาคตนึกถึงความตายขึ้นมาห่อเฉียวให้ความคิดนี้มันจะเล่นงาน คนเรามากนะโดยเพราะในวัยชราแล้วก็ในยามที่ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครอยู่ด้วยหรือเพราะติดเตียงก็แล้วแต่แต่ถ้าว่ารู้จักอยู่กับตัวเองได้นะอยู่กับความรู้สึกตัวมันช่วยได้มากเลยมันจะเป็นมิตรกับตัวเองและความคิดลบคิดลายมันก็จะเล่นงานไม่ได้ถึงแม้เราจะควบคุมความคิดไม่ได้นะ จะห้ามความคิดไม่ได้แต่ว่ามันคิดอะไรไม่ว่าจะลบจะร้ายแค่ไหนแต่ว่ามันก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้เพราะว่ามีสติรู้ทันมีสติรักษาใจนั่นเอง mm. ก็ทำให้อยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขหดือ ว, ว่ไม่ทุกข์มากและที่สาคัญนี่คือสิจะไม่ช่วยทาให้ปล่อยวางด้วยนะไม่ใช่ปล่อยวางความคิดที่มันรบกวนรังควานจิตใจเดียวปล่อยวางอะไรตอ่ออะไรมากมาย คนแก่ทุกวันนี้นี่เป็นทุกอย่างหนึเพราะใจนี่มันห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติเนีราก็ทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะหลานทุกข์เพราะเรื่องราวเหล่านี้จะปล่อยวางก็วางไม่ได้ก็เลยต้องอยู่กับความทุกข์ในด้านหนึ่งก็เหงานะแต่ในอีกส่วนหนึ่งนะมันก็รู้สึกหนักอกหนักใจเพราะความกลุ่ม พอไปแบกเอาลูกเอาแบกเอาหลานเอาแบกใครต่อใครมาปล่อยวางไม่ได้ก็อยู่แบบทุกข์ทรมานแต่ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางได้นะโอมันจะเบาโดยพราคนเราเนี่ยพอแก่ตัวลงไปแล้วเนี่ยเวลามันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้มันน้อยลงไปทุกทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงนี้มีค่ามากนะแต่ว่าหลายคนนี่แทนที่จะใช้เวลาแต่ละนาทีให้มีคุณค่าหรือเพื่อทาให โดยมีความสุขนะ ก, กับใช้เวลาไปาความทุกข์เสียเวลาไปาความทุกข์มากเลยนะคนเท่าคนแก่จํานวนไม่น้อยเนี่ยทั้งที่เวลาก็เหลือน้อยไปทุกทีแทแนที่จะดูแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงอย่ามีความสุขกับปล่อยให้จมอยู่กับความทุกข์นี่พอไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางพอไม่รู้จักรักษาใจแต่ถ้ารู้จักปลอ่อยรู้จักวางรู้จักรักษาใจนะใจมันจะเบาใจ ม, ใจ ม, มันจะเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้น มันก็จะลอยนะอยู่เหนือความทุกข์ไมไ่จมดิ่งในความทุกข์แต่มันจะอยู่ลอยอยู่เหนือความทุกข์ตัวนั้นอา จ, จเป็นอิสระจากความทุกข์เลยก็ได้เรียกว่าวิขาลงนะแต่มันขาลงทางโลกคนแก่เนี่ยนมะันชิดขาลงจริงนะมันขาลงทางโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของสถานะงานการตำแหน่งแต่มันสามารถจะเป็นช่วงขาขึ้นทางธรรมได้นะ คือจิตใจนี่ก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะรูจ้จักปล่อยรูจ้จักวางรูจ้จักทําบุญสร้างกุศลช่วยยกจิตให้สูงขึ้นอันนี้แล้วว่าขาลงทางโลกนะแต่ว่าขาขึ้นทางธรรมถ้ามันทําได้นะอันนี้ถ้าอันนี้พวกเราที่ยังไม่แก่ไม่ชราก็ควรเรียนรู้หรือตะหนักเอาไว้จะได้มีเวลาเตรียมตัวเพรถึงเวลานั้นเนี่ยถึงเวลาแก่บางที สังขารร่างกายไม่อํานวยหรือบางทีกิเลสมันหนานแน่นมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทําอย่างที่พูดอย่างที่แนะนําได้นิสัยมันจะฝังลึกนะจนกระทั่งไม่สามารถจะทวนสวนกระแสนิสัยเดิมได้มันจะแต่ยึดเอาจะยึดติดเอาจะจมอยู่ในความทุกข์นะอันนี้เพราะว่าไอตอนที่ยังหนุ่ยยังสาวนี่ละเลยไม่สนใจนะในการที่จะฝึกจิตฝึกใจหรือว่า เตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในวัยชราหากบังเอิญโชคดีนะได้มีชีวิตยืนยาวาข้ามยุคตนนี้นะ